ขอความสุขความเจริญจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้คงพูดเรื่องสัพพิสูต์คือสูตรที่ว่าด้วยการคบหาสมาคมกับสัตว์ปรุษสืบต่อจากที่ได้กราบมาแล้วดังที่ได้กราวมาแล้วว่าพระสูตรนี้มีเทวดากลุ่มหนึ่งจำนวน ก็เรียกว่าเจ็ดร้อยแล้วก็มีหัวหน้าของกลุ่มแต่ละ ก, กลุ่มแต่หัวหน้าก็เจ็ดตนก็เคยมาเฝ้าพระพุทธเจ้าหลายครั้งครั้งนี้มายกย่องสันเสริญสัตว์บุรุษคือคนดีที่ท่านเหล่านั้นได้คบหาสมาคมมาในชาติพบก่อน แล้วก็ผลจากการคบหาสมาคมกับคนดีนั่นเองก็เป็นเหตุให้คนเดินทางเรือกลุ่มหนึ่งตายแล้วก็บังเกิดในสุกติโลกสวรรค์เป็นเทพบุตรเขาก็เชื่อมโยงผลที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาว่าทั้งหมดนั้นล้วนเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากการคบหาสัตว์ปรลุ่ ตอ น, น, นก็มากราบทูลแสดงความคิดเห็นของตนถวายพระพุทธเจ้าในลักษณะที่ถามเพื่ออนุมัติคือหมายความว่าขอพระพุทธเจ้าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบข้อความตอนต้นจะเหมือนกันหมดแล้วก็เปลี่ยนแปลงในข้อในช่วงสุดท้ายข้อความในวันนี้ เคยมีในสาทุสูตรคือเทวดากลุ่มนี้มากล่าวถึงผลของทานเพรความข้างต้นเนี่ยจะเหมือนกันแล้วก็มาต่างกันที่ข้อสุดท้ายก็ความเต็มบอกว่าบุคคลควรนั่งร่วมกับพวกสัตว์บุรุษควรทําความสนิทสนมกับพวกสัตว์บุรุษบุคคลทราบธรรมของพวกสัตว์บุรุษแล้ว มีแต่คุณอันประเสริฐไม่มีโทษอันลามมกเลยนี่คือประเด็นที่เทวดาตนแรกเสนอผลดีงามที่จะเกิดขึ้นแก่บุคคลภูกพหาสมาคมกับสัตว์ปรุษก็คือว่ามันจะมีแต่คุณอันประเสริฐแล้วไม่มีโทษอันลามมกเทวดาตนที่สองได้กราบทูลเสนอความเห็นเหมือนกันในช่วงแรก แต่ว่าต่างกันในช่วงสุดท้ายว่าบุคคลย่อมได้ปัญญาหาได้ปัญญาแต่คนผ่านหรือคนอันธพาลอื่นไม่ในความคนเราถ้าจะต้องการให้ได้ความรู้ความเข้าใจที่ต้องจริงๆจะต้องเป็นความรอบรู้ซึ่งได้ยินได้ฟังมาจากสัตว์บุรุษประศัตบุรุษท่านมีปัญญา มีความบริสุทธิ์ใจแล้วก็มีความเมตตากรุณาต่อบุคคลอืน่นการบอกกล่าวชี้แจงของสัตว์ปรุษก็ถือว่าใช้ได้ก็ถูกต้องแล้วก็สุดยอดของสัตว์ปรุษก็คือพระานตสมาสัมพุทธเจ้าเทวดาตนที่สามกล่าบทูลข้อความเหมือนกัน ข้อสุดท้ายบอกว่าย่อมไม่เศร้าโศกในท่ากลางแห่งเรื่องเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าโศกตนที่สี่ก็กราบทูลว่าย่อมภัยโรดในท่ากลางแห่งญาติตนที่ห้าก็กราบทูลว่าย่อมไปสู่สุคติคือตายแล้วจะไปบังเกิดในสุคติ ซึ่งก็ได้อถ า, าธิบายขยายความมาแล้วโดยลําดับทีนี้มาถึงเทวดายตนต่อไปก็ได้กลับภูนข้อความที่ซ้ํากับตนแรกๆคือใช้คําว่าบุคคลควรนั่งร่วมกับพวกสัตว์บุรุษควรทําความสนิทสนมกับพวกสัตว์บุรุษสัตว์ทั้งหลายทราบธรรมของพวกสัตว์บุรุษแล้ว ย่อมดำรงอยู่สบายเนืองๆคือสบายตลอดไปแต่เงื่อนไขที่จะต้องทำความเข้าใจเนี่ยคือไม่ใช่ฝังเฉยๆการคบหาสมาคมกับสัตว์ประหดนั้นจะต้องร่วมหลักความคิดร่วมกิจกรรมร่วมผลประโยชน์กับท่านหมายความศึกษา พิจารณาแล้วก็น้อมนำคำสอนของท่านมาประพฤติปฏิบัติแล้วผลดีงามเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นเป็นผลที่ข้ามภพข้ามชาติเกื้อหนวยความสุขให้ในชาตินั้นๆในขณะนั้นๆแล้วผลส่วนหนึ่งก็จะยกยอดนำให้ไปบังเกิดในสุคติ ทีนี้เมื่อบังเกิดในสุกติมันก็อยู่ด้วยกุศลก็เสวยผลแห่งบุญกุศลเหล่านั้นก็ทำให้สุขสบายอยู่หนึ่งเหนื่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความลบเอียงทางใจของคนที่พบาาสัตว์ปุรุษเนี่ยก็จะพอจจยินดีที่จะพบหากับสัตว์ปุรุษตลอดไปเพรางก็ต่อพบชาติมันก็ไปนีขึ้นไปเรื่อย เกิถ้าเรามองถึงพัฒนาการของพระโพธิสัตว์ในสังสารวัฏยาวนานนั้นก็ส่งเกิดสลับสับเปลี่ยนกันไปตามพลังแห่งกรรมแต่ว่าที่สามารถพัฒนามาจนเพิ่มภูนบา ร, รมีสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้ น, สนอสวะลดลงลดลง ล, ดลงเนี่ยแล้วจนบา ร, รมีเต็มในสมัยที่ทรงอุบัติเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ ทุกชาติทุกขั้นตอนอาจจะทรงเกี่ยวข้องกับผานแต่ไม่เป็นผานพระองค์ก็จะดำรงความเป็นบัณฑิตพระก็ชีวิตไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ตามก็จะอยู่ดีมีสุขหรืออยู่เย็นเป็นสุขแต่ว่าหลักคาสอนเหล่านี้ถ้าจะให้ชัดเจนก็คือคนแต่ละคนเนี่ยจะต้องพยายาม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของสัตบุรุษยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยว่าในธรรมของสัตบุรุษที่ยกไว้ในวันก่อนก็คือสัทธธรรมเจ็ดประการ้ดยลอสังเกตว่าตัวหลักจริงๆเนี่ยราจะเอาฮิริโอตปะเป็นหลักก็ได้ แล้วก็ธรรมะเราอื่นก็จะสนับสนุนส่งเสริมการดํารงชีวิตของบุคคลนั้นตราเท่าที่ฮิริโอตปะอย่างดํารงอยู่หรือบางคนอาจจะใช้ศรัทธาคือเชื่อมั่นอย่างมีเหตุมีผลเป็นตัวนําความเพียรพยายามที่ถูกต้องก็จะเกิดสติก็จะเพิ่มขึ้นสมาธิจะเพิ่มขึ้นปัญญาจะเพิ่มขึ้น จิตใจอาการกายวาจาก็มีความสะอาดสงบสว่างขึ้นไปโดยลำดับหรืออาจจะใช้ระบบของผู้สูตรคือการศึกษาสดัตว์ประงมากข้อนี้เป็นเป็นเรื่องใหญ่มาก เ, เมื่อวันเสาร์เมื่อวันเสาร์ที่สิบหกกันนะฮะ ตันวาคมไปบรรยายเรื่องธรรมะสำหรับผู้บริหารให้แก่นักศึกษามาจะได้รามกำแพงปริญญาโทก็มีนักศึกษาสองอยกว่าแต่ว่าวิทยากรคนก่อนเนี่ยเขาพูดเลยเวลาไป ก็ทำให้เวลาที่มาจะบรรยายชั่วโมงครึ่งก็ถูกเบียดก็ยังเหลือห้าสิบบัญชีเราก็มองว่ามันมันมันจะเอาอะไรมาที่ไม่พูดกระทันแล้วก็เนื้อสารเหล่านี้เข้าใจเราก็ใช้ความรู้ใช้ความคิดใช้ความสามารถและคุณธรรมเป็นหลัก ก็เรียกเป็นการบริหารตนบริหารคนบริหารงานแล้วก็ตอนสุดท้ายก็คือสรุปสรุปว่าทั้งบริหารตนทั้งบริหารคนทั้งบริหารงานเนี่ยคือสติสัมปญญาความพยายามที่ถูกต้องจะต้องมีอยู่ตลอดแล้วจากใดที่มีธรรมะสมข้อนี้กำกับควบคุม การทำการพูดการคิดของเราอยู่ไม่ว่าตนหรือคนหรืองานก็จะมีการก้าวหน้ามีการสร้างสารรค์มีการพัฒนาไปได้ตามปริมาณของคุณธรรมที่เรามีอยู่คือหมายความว่าเมื่อเราต้องการปริมาณมากคุณภาพ ม, มากเนี่ยคุณธรรมก็ต้องมากตามเพราะว่าเขาเป็นปันจจัยของการอะไรกัน ก็ยังนึกเสียวๆนะฮะเพราะว่านึกสารับประทานอาหารแล้วเสร็จนะก็ฟังเลยก็ตอนบ่ายศึกจะบ่ายโมงบ่ายโมงสี่สิบไปนะฮะในสุขก็บรรยายไปหนึ่งชั่วโมงแล้วก็จบแล้วก็สังเกตว่าเออ พูดนักศึกษาเหล่านี้เป็นเด็กรุ่นใหม่อายุประมาณสักยี่สิบห้ายี่สิบหก็ตั้งใจสนใจก็ยังคิดว่าจะมีคนหลับอ่ะนะแตก่ก็ไม่มีคนหลับมันทำให้เรามองเห็นว่าโอกาสที่เราจะต่อสื่อสารกับเด็กพวกนี้แต่เรามีวิธีนำเสนอแล้วมาพูดคุยกัน มันยังสามารถที่จะได้ต่อสื่อสารในทางสร้างสารรค์ได้มากใช่ไลเพราะฐานในการคิดของเธอเนี่คือสามารถที่จะคิดได้อย่างมีระบบแต่พอดีพอตกกลางคืนก็มาฟังข่าวมีการพูดถึงมีการเสนอ าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในโอกาส ต, ต่อไปเนี่ยคือทำยังไงอย่าให้คนในสกุลเดียวเนี่ยมได้รับการคัดเลือกซ้ำกันหรือว่าสามีกับพัญยามาอยู่กันคนละสภา ห, หรืออยู่สภาเดียวกันเหมือนกับรัฐบาลก่อนเออเราว่ามันเกี่ยวอะไรกับรัฐบาลก่อน แล้วก็ไม่นึกว่าคนระดับนี้พูดได้ระดับนั้นนะครเพราะจริงๆกฎเกณฑ์เหล่านั้นเป็นกฎเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับรัฐบาลเลยและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเป็นสิทธิของประชาชนที่จะสมัครเข้ารับเลือกตั้งเมื่อเขามีคุณสมบัติแล้วก็เป็นสิทธิของประชาชนที่จะเลือกใครก็ได้ทําไมเราต้องคิดแทนเขาล่ะ แล้วทาไมจะคิดออกกฎหมายเพื่อกีดกันพลในสกุลใดสกุลหนึ่งหรือคนพวกใดพวกหนึ่ในเมื่อเป็นสิทธิเสมอภาคของคนไทยแล้วนี้นก็เออระบบ ก, การคิดบกพร่องมากพูดถึงประชาธิปไตยแต่ละเลยปัญหาข้อเท็จจริงละเลยปัญหาหลักการอุดมการและก็วิธีการของระบบประชาธิปไตย มันเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพซึ่งใครจะเลือกใครเป็นเรื่องของเขาใครจะสมัครก็เป็นเรื่องของเขาสิทธิในการสมัครเป็นเรื่องของผู้สมัครสิทธิในการตัดสินใจเลือกใครนั้นเป็นสิทธิของผู้เลือกเพราะถ้าคนเราได้ฟังธรรมะของสัตว์บุตรเข้าใจถึงสัตว์บุตรมันจะโยงถึงได้ระหวังเหตุผล เพราะอะเพราะว่าปัญญาสติปัญญาสติมันจะระลึกอะไรแล้วปัญญามันจะวินิจฉัยเออมันนี้มันมันเกี่ยวอะไรแล้ว เ, เนื้อหาสาร ะ, ะของมกมชาธิปไตยคืออะไรเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับใครหรอกบ้านเมืองนี้เป็นของคนไทยทุกคนบ้านเมืองไหนก็เป็นของประชาชนในประเทศนั้นทุกๆคน แสดงว่าความคิดยังไม่ค่อยเป็นระบบแล้วใช้อคติกตอนผูก้กำนังสาษามาก็เน้นเรื่องอคติสี่ในการบริหารคนเพราะว่าการบริหารคนความเป็นธรรมความยุติธรรมความเป็นธรรมความเที่ยงธรรมมีความจำเป็นสุดๆที่ขาดไม่ได้เลย แต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าความเที่ยงธรรมความเป็นธรรมเนี่ยมันต้องอยู่ที่ยุติธรรมต่ยุติธรรมแล้วก็เที่ยงธรรมเป็นธรรมนะยุติธรรมมันก็เป็นธรรมนะแล้วก็เป็นธรรมนั่นก็คือเที่ยงธรรมไอ้เที่ยงธรรมก็เป็นธรรมนั้นเราไม่ต้องทําแต mm ่ว่าทําเพียงแต่ว่าให้ยุติโดยธรรมเดวยก่อนแล้วยังอื่นผมจะตามมาตอนความเป็นสัตว์บรูดจึงต้องชัดเจนในเรื่องอะไรเป็นเหตุของอะไรอะไรเป็นผลของอะไร แล้วผลเหล่านี้มันเกิดมปนจารเหตุอะไรเหตุเหล่านี้ก่อนเกิดผลอะไรไม่ใช่ว่าไปพูดเรื่องเหตุอย่างหนึ่งพูดผลอีกอย่างหนึ่งคือยงโยงโย ง, โยงผลไปผิดกับที่เหตุมีการพูดถึงรัฐบาลก่อนริดรอนสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งคนจบปริญญาตรี คนไม่จบเป็นยาตรีไม่มีสิทธิสมัครเรเลือกตัง้งไอ้ น, นี้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไม่เกี่ยวกับของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญมันเกิด4ีรูนรัฐบาลก็เพิ่มมาสีนะฮะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำใจให้เป็นกลางในแง่ของวิชาการวิชาการคือวิชาการประวัติศาสตร์คือประวัติศาสตร์เราพูดถึงเรื่องอะไรก็คือเรื่องเราทั้ การเราเห็นว่าในสัพปริสธรรมเนี่ยหลักธรรมแต่ละข้อเนี่ยมันจะนำไปสู่ยุติธรรมเป็นธรรมแล้วก็เชื่องธรรมศรัทธามันไปเชื่อมั่นในกฎของกรรมเลยแล้วก็ฮิริโอตปะนั้นแน่นอนจิตมันจะระเมียดละใหม่มากจะรู้สึกรังเกียจละอายขยะขยแยงต่อ บ, บาปแม้เพียงเล็กน้อย ไม่กล้าแม้แต่จะคิดนะไม่กล้าแม้แต่จะทําจะพูดคือพูดทำนะไม่ต้องพูดคือแม้แต่คิดก็ไม่คิดถ้าหิริก็อยู่จริงๆรโ mm hmm. อตปะก็อยู่จริงๆสุตานั้นเป็นการเสริมสร้างปัญญาของคนให้มีความแหลมคมขึ้นไปโดยลำดับเพราะว่าชีวิตจริงๆเราต้องศึกษาต่อเ น, นี่อโดยเฉพาะยิ่งคือยุค ข, ข้อมูลข่าวสารอย่างนี้ถ้าเราหยุดอยู่กับที่เนี่ยไม่ศึกษาติดตามอะไรเลย เลนสูงก็สื่อสารอะไรกับใครไม่ได้แล้วก็วิริยะเนี่ยมันจะช่วยขับเคลื่อนนะวิริยะสติปัญญาสามข้อข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวถ้าเรามีครบหมายความว่ามีศรัทธาความเชื่อมั่นเป็นหลักใจมีฮิริโอตปะเป็นตัวคุ้มครองใจกับสตนะิแล้วก็มีการศึกษารอบรู้มีปัญญาเนี่ย เป็นตัววิเคราะห์ตรวจสอบเทียบเคียงสอบทานแล้วก็ตัดสินวินิจฉัยความเพียรก็นําในการเว้นสิ่งที่ควรเว้นประพฤติสิ่งที่ควรประพฤติธรรมะก็จะคุ้มครองรักษาบุคคลเหล่านั้นเพราะเราจะเห็นว่าคํากล่าวของเทวดาตนนี้มันก็ตรงกับพระพุทธภาษิต ท, ที่ว่าทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม ทำที่คนประพฤติดีแล้วจะนำความสุขมาให้หมายความว่าความสุขมันเป็นผลทำมันเป็นเหตุในการปฏิบัติเราก็ต้องยุติด้ดยทำเป็นธรรมแล้วก็เชี่ยงธรรมความสุขซึ่งเป็นผลก็จะเกิดคือมันไม่เกิดเป็นอย่างอื่นหรอกเราทำนงใกล้ๆกับปลูกมะม่วงเนี่ยผลมันต้องออกมาเป็นมะม่วงเดโ๋วกาสต่อไปแต่ที่แน่นอนที่สุดคือเราได้ต้นมะม่วงก่อน เมื่อเทบดาเราอื่นได้กราบทูลคํานี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้ากเทวดาอีกตนหนึ่งก็กราบทูลว่ากรแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าคําของใครหนอแหลเป็นสุภาษิตเป็นคําถามของเทวดาตนที่เจนะฮะคือเทวดาตนที่เจดนั้นก็ไม่ได้กราบภาษิตอะไรเพียงแต่เป็นผู้นําเสนอประเด็น พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตัดบอกว่าท้อยคำทั้งหมดของทุกท่านเนี่ยเป็นสุภาษิตโดยนัยะหนึ่งโดยนัยะหนึ่งแต่ว่ามันมีผลที่ดีกว่านั้นนั่นก็คืออะไรก็คือเอาข้อความทั้งหมดแสดงว่าข้อความทั้งหมดเนี่ยทรงยอมรับว่าถูกต้องแล้ว มันแต่มันเป็นเหตุปัจจัยก็ถือว่าเป็นปัจจัยเสริมเป็นปัจจัยจากข้างนอกมันก็เหมือนกันในมงคลสูตรที่จงแสดงว่าการเขา้าพานาสมาคมกับบัณฑิตการบูชาผู้ควรบูชาการอยู่ในประเทศที่สมควรการมีบุญกระทำไว้ในการกอดมันเป็นปัจจัยเสริม แต่ว่าการตั้งตนไว้ชอบเนี่ยเป็นภารกิจที่เราจะต้องรับผิดชอบในขณะเดียวกันการตั้งตนไว้ชอบนีส่วนหนึ่งมันมีมาจากบุญที่เราทำไว้ในการก่อนคือใส่ใจฝ่ายทำอยู่หนึ่งนิดสนใจที่จะศึกษาสนใจที่จะเรียนรู้สนใจที่จะประพฤติปฏิบัต แล้วมาลองสังเกตที่เทศวันอาทิตย์วันวันอาทิตย์ทุวันทุวันอาทิตย์วัสสาวะวันอาทิตย์นะะทีนี้ที่วันอาทิตย์เนี่ยมันจะเทศแล้วก็นั่งสมาธิเพียงสิบนาทีสมาทานศีลชาวบ้านก็ไหว้พระสวดมนต์สมาทานศีลแล้วก็เทศประมาณสี่สิบห้านาทีแล้วก็นั่งสมาธิประมาณสิบนาทีคนไม่ ค่อยเพิ่มแต่ก็ไม่เคยลดคืออยู่ระดับนั้นเนี่ยอยู่ก็แถวสักสามสิบยี่สิบห้าสามสิบเท่าแต่นั น, นไอเราจะเลิกก็ไม่ได้เพรคนยังมาแต่ก็มีเด็กหนุ่มอยู่คนเนเข้ามาประจำและยังไม่มีโอกาสสอบถามอะไรกันเป็นีรีบางวันเราก็พบว่าเด็ก อายุประมาณสิบสองสิบสามอีกคราวหนึ่งคนบ้างสองคนบ้างสามคนบ้างนะคงจะตามพ่อแม่ผู้ญาติยายมาแต่ก่อนไม่ได้เข้าฝังแล้วเวนี้ก็เข้าไปนั่งฝังแล้วนั่งสมาชิก็นั่งสมาธิก็แสดงว่าเด็กเราเนี้ยมันมีพื้นฐานมีความโน้มเอียงทางจิตอยู่ มีความพร้อมที่จะตั้งตนไว้ในทางที่ชอบเพราะในมงคลสูตรขอต้อต่อต่อมาเนี่ยจะเห็นชัดเจนว่าทรงแสดงถึงการศึกษาสะระจากฝั่งมากการฉลาดในศินละปะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็มีวินัยในตัวเองก็คืออะไรคือความรู้ความคิดความสามารถแล้วก็คุณธรรมเป็นตัว ก, กำกับนอากนั้นมันเป็นปัจจัยเสริม ดังนั้นประเด็นที่ว่าบุคคลควรนั่งร่วมกับพวกสัตว์บุรุษซึ่งไม่แห่อาจจะใกล้เคืองกินด่างก็ได้ควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตว์บุรุษก็เหมือนกัน อ, อาจจะใกล้เคืองกินด่างก็ได้บุคคลทราบธรรมของพวกสัตว์บุรุษแล้วถ้าทราบธรรมเฉยๆไม่ก้าวต่อไปไม่นำมาประพฤติปฏิบัติธรรมะเหล่านั้น แต่ผลที่ต้องการจริงๆมันก็เกิดคิดไม่ได้แต่ถ้าใช้ตรงนี้มันเป็นปจัจเจมไม่ใช่ว่าจะดำรงอยู่สบายหนืองๆ ห, หรือบังเกิดในสุกติเพียงอย่างเดียวพระเจ้าก็ทรงแสดงประโยชน์ระดับยอดกยันที่บอกว่าธรรมะทั้งหมดเนี่ยเป็นการแสดงประโยชน์ เป็นประโยชน์ระดับปัจจุบันเรียกว่าทิฏฐธรรมิกะฏประโยชน์เป็นประโยชน์ในภายภาคหน้าเป็นสัมปรายิกะฏประโยชน์คือเทวดาแสดงแล้วแต่เพราะเทวดาเนี่ยเธอมาจากสีทานะเธอไม่ยังไม่รู้เรื่องขนาดมรรคผนิพพานพระยักก็เลยต่อให้ว่าย่อมพ้นจากทุกทั้งป่วน ย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงเพราะอะไรเพราะเริ่มต้นจากการนั่งร่วมกวับพวกสัตว์ปรุษทําความสนิทสนมกับพวกสัตว์ปรุษแล้วก็ทราบธรรมของสัตว์ปรุษคำวมาทราบธรรมในที่นี้มันเป็นผลรวมนะฮะคือจุดหนึ่งเนี่ยคือเราจะเห็นว่าเราทราบธรรมะทางประสาทสัมผัส แต่ว่าการที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ต้องปวงได้มันต้องเป็นระดับยานคือผุดขึ้นจากผลรวมของการประพฤติปฏิบัติตนไปตามหลักของอะเรมาสในองค์แปดประการเพราะงั้นตามปกติแล้วเนี่ยตรงนี้จะใช้คำวารู้คือไม่ใช้คำวาทราบ แต่ทีนี้เมื่อเทวดาตัณนใช้ทราบมาแล้วคือเราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูตามปกติและทราบเนี่ยใช้การรับรู้ทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็รู้ด้วยใจการหลุดพ้นจากความทุกข์มันเป็นผลของความรู้ซึ่งเราอาจจะเรียกว่าปัญญาอาจจะเรียกวิาวชา อาจจะได้ชื่ออย่างอื่นอีกเป็นอันมากอาจจะได้ก็ยานก็อย่างที่ทรงแสดงไว้ในธรรมจักขปวัตนสูตอนตอน้นะทรงใช้คำว่าอภิน ญ, ญายะสัมบูทายะคือความรู้อันยิ่งจนถึงสัดทรู้แล้วก็จึงนิพพานรยะก็คือนิพพานแล้วก็เมื่อนิพพานก็พ้นจากทุกข์ทั้งปวง ทรงใช้คำว่าทุกข์ทั้งปวงก็แสดงว่าเป็นผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากการคบผาสมาคมกับสัตว์ประุษเนี่ยจะช่วยคนหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้อย่างเรื่องอาทิมุตสามนเณรซึ่งไปสอบถามอุปชายาส่งไปให้สอบถาม ครอบครัวว่าอายุเท่าไรแล้วแล้วก็ตัวเองท่านจะบวชให้จะทำจะทายัติให้แต่ท่านก็ถูกโจรจับในเส้นทางแต่ท่านก็บอกเล่าถึงบาป บ, บุญคุณโทษให้ฟังโจรก็ปล่อยแต่ก็มีข้อแม่ประท่านจะบอกใครว่ามีโจรอยู่ในป่านี้ พระเจราก็รับปากผนตอนญาติโยมของท่านไปในงานที่จะอุปสมบทั้นีแล้วผ่านป่านั้นท่านไม่ได้บอกใครเลยคนเหล่านั้นก็ถูกถูกจับพอแม่พี่น้องก็แสดงความน้อยใจว่าเอ้ลูกทำไมไม่เห็นบอกเลย ว่าในป่านี้มีโจรอยู่โจรพอได้ยินทราบว่า น, นี่คือญาติพี่น้องของของอธิบุตรสามเณรนั้นแต่สามเนรรักษาสัจจะที่ให้ไว้แล้วก็ไม่ยอมบอกเกิดสัทธาเลื่อมใสในสามเณรและในการต่อมาก็มาบวชในสนักของ ท่าอาิมุตพวกโจรทั้งหมดบวชหมดเลยวันโจรเองมันก็ได้จากการคบหาสมาคมกับสัตบุรุษพระอาิมุตเองก็ได้บรรลุมรคผลจากการคบหาสมาคมกับสัตบุรุษพวกนายโจรนะฮะนายโจรพวกคนเหล่านั้นแนะนําตัวเนี่ย บอกว่าเราเป็นมารดาของอาิมุตคนนี้เป็นบิดาคนนี้เป็นน้องหญิงคนนี้เป็นพี่ชายคนนี้เป็นน้องชายคนในที่นี้ทั้งหมดเป็นญาติของอาทิมุตแต่เขาก็ตำเหนียเขาก็บอกนะฮะว่าอาทิมุตมีปกติทํากิจอันไม่สมควรเลยคือหมายความว่าก็ติงติงนะฮะ ว่าเห็นญาติพี่น้องมาทำไมไม่บอกจะตัวเองรู้ว่าโจรอยู่ในที่นั้นแล้วก็บอกว่าข้อนี้เป็นวัดปฏิบัติของสมณะทั้งหลายผู้เป็นพระอริยะผู้มีธรรมเป็นชีวิตหรือหนอถามว่าพระอริยะนี่ยเขาปฏิบัติอย่างนี้แหละขนาดบอกกล่าวพ่อแม่ก็ไม่บอกที่จริงตอนนั้นท่านยังไม่บรรลุนะครับ โจรก็ประทับใจมากก็แสดงว่าโจรมันก็มีปเุเพกตะปุญญาตาเป็นกุศลกรรมในอดีตตามมาให้ผลแล้วก็มันฆ่าผลก็อกุศลกรรมชี้นำให้ท่านเป็นโจรมันความคิดเปลี่ยนคำพูดของโจรนี่คมมากบอกว่า อาทิมุตตะมีปกติกล่าวคำจริงเห็นญาติคนใดแล้วก็ไม่ห้ามเพราะความประพฤติความดีของอาทิมุตตะผู้เป็นภิกษุผู้มีปกติกล่าวคำจริงชนทั้งหลายผู้เป็นญาติของอาทิมุตตะรอดภายแล้วขอจงไปสู่ความสวัสดีเถิดเขาปล่อยก็แสดงว่าญาติพี่น้องเหล่านั้นก็รอดพ้นเพราะว่า เป็นญาติของอติมุตตะซึ่งเป็นสัตว์บรุษเรานึกทั้งภาพในอดีตว่าภาษารีบุตรกับพระโมคคัลลานะเนี่ยในช่วงแรกท่านไปครุกครีกับการละเล่นต่างๆแล้วก็ไปอีกเรื่องนึงเลยในช่วงที่สองก็ตัดสินใจออกบวชได้บวชในสำนักสัญชัยปริพาก ก็ไม่ได้คบหาสมาคมกษัตริย์บรุษความคิดความอ่านของท่านมอ้อก็ยังไม่ได้ชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรแต่ก็มีความเชื่อมั่นวะะ่าลัทธิสันชัยนั้นไร้สาระแล้วก็พอ ม, มาเห็นท่านอสิชิเห็นนะเห็นเดินเฉยๆเดินมิตรบาทเฉยๆมันเกิดประทับใจเกิดศรัทธาเรื่อมใส กระทำให้เราเห็นว่ามันก็เหมือนกันในมงคลสูตรที่บอกว่าสมานานันจะดัดสนงการพบเห็นสมนานาเนี่ยเตมังคารมุตตะมังเป็นอุดมมงคลทตนี่การที่คนจะคิดเป็นอุดมมงคลได้นะี่มันไม่ใช่คิดได้ง่ายๆเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคนไม่มีบุญวาสนาหรือว่าเป็นคนใจบาศ านที่เคยล่าเรื่องนายพรานไปเห็นพระแล้วก็ถือว่าเป็นอัปมงคลวันนั้นก็จะล่าสัตว์ไม่ได้พระรปเห็นนายพรานต้องรีบหนีนะฮะต้องรีบหลบงั้นถูกข้าวได้ง่ายๆแล้วการการการเห็นพระแล้วอย่าไปคิดว่าทุกคนจะคิดว่าเป็นอุดมมงคลมีคนบางพวกเนี่ยมองในแง่ที่เป็นอัปมงคลคือไม่เป็นมงคล เพราะในพื้นฐานเนี่ยมันจึงสืบเนื่องมาจากการ mm. ก็พาสมาคมกับสัตว์บรุษ mm. ก็มีสัตว์บรุษเป็นกัลยาณมิตรพูดง่ายว่ามีสัตว์บรุษเป็นกัลยาณมิตรทีนี้คนที่เป็นกัลยาณมิตรตามปกติแล้วก็จะมีความรักใคร่แนะนำในสิ่งที่เป็นสารประโยชน์แล้วก็ การทำการพูดการคิดของท่านจะมีอุปการะต่อคนที่ทั้งคบหาสมาคมแล้วก็พร้อมที่จะร่วมทุกร่วมสุขเมื่อในการได้สัตว์บุษมาเป็นกัลยาณมิตรมาคบหาสมาคมกับสัตว์บุษรพระเจ้าจึงทรงสแสดงว่าทำให้คนพ้นจากทุกข์ทั้งปวง นก็อย่างที่บอกว่าผลจากการครบหาสมาคมกษัตริย์บุตรที่ไปสู่การพลจะทุกทังปวงเนี่ยมันจะเหมือนกับที่ทรงแสดงไว้ในที่อื่นนะฮะคือหมายความว่ามันไม่ใช่ครบเฉยอย่างเช่นทรงแสดงไว้ถึงการโครบสัตว์บุตรที่มีรายละเอียดขั้นตอนมากขนนั้นบุคคลมีศรัทธา เข้าไปหาสัตบุุษเมื่อเข้าไปหาแล้วนั่งกายนั่งกายและฟังธรรมในขณะฟังนั้นให้เงี่ยหูลงฟังกำหนดข้อความพิจารณาข้อความแล้วก็นำมาสู่ภาคของการประพฤติปฏิบัติเพราะผลนี้ไม่ใช่ผลโดยบัรดาล แต่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาเรียนรู้มีการจำแนกแยกแยะได้ว่าอะไรควรเว้นอะไรควรประพฤติแล้วต้องเว้นในเรื่องที่ควรเว้นประพฤติในเรื่องที่ควรประพฤติแต่ว่าในภาคสนามเนี่ยคือถ้าเราปฏิบัติ ด, ดีแล้วตัวความดีที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจะทำหน้าที่กจัดความชั่วให้ เพราะการทำความดีจึงเว้นชั่วไปด้วยในขณะนั้นแหละมันก็เหมือนกับเราถูพื้นเนี่ยความสะอาดมันเกิดต่อเนื่องจากการที่สิ่งสิ่งสกปลกถูกเช็ดถูกชำระล้างออกไปในขณะนั้นยิ่ทำสองอย่างคือชำะสิ่งสกปลกแล้วก็ทำให้พื้นนั้นสะอาด ความสะกะปรกจึงไม่อยู่ในพื้นที่สะอาดแต่ความสะอาดก็ไม่อยู่ในพื้นที่สะกะปรกเหมือนกับการครอบัณดิตก็คือการไม่ข้ผ่านการละ บ, บาบปิปนบุญี่มีลักษณะอย่างนั้นนะคืออย่าไปคิดแต่มันรุ่งรังมากหรือบางครั้งบางคราว เมื่อเดือนที่แล้วนี่นะเดืยนที่แล้วที่ไปฟังพระท่านไม่ใช่ฟ้าหรอฮะก็ถามว่าใครพูดเพราะว่าเป็นการเปิดมาจากเทปจากซีดีมั้แต่เขาก็บอกว่าไม่ทราบพระอะไรเพิ่งกันแต่เขาก็โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตก็ยิ่งฟังอยู่นานนะ คือท่านพูดถึงเรื่องกลับการอะไรอะไรต่างๆเนี่ยยาวเลยแล้วก็ยังนึกไม่ออกว่าไปพูดกับชาวบ้านต่างจังหวัดอยู่บ้านนอกแล้วก็เชิดเรื่องอย่างนั้นเนี่ยคือเรื่องอย่างนั้นที่จริงถ้าหลบได้แล้วหลบดีกว่าคือเฉยๆแต่ถ้าจำเป็นจะต้องพูดก็พูดเท่าที่จำเป็นต้องพูด เพราะอะไรเพราะมันเป็นอนดีตที่เราตามไปรับรองอะไรไม่ได้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคำพูดของคนรุ่นหลังและเราเห็นชัดเจนว่าเป็นระบบความเชื่อของนักที่ปรามที่แบ่งเป็นพัฒรกับอะไรกับกับกับกับต่างๆเนี่ยคือเป็นผลงานระดับอัจกถาในส่วนใหญ่คือมันมันทำยังไงว่า เอาที่เรื่องปัจจุบันนะเรื่องที่ทำได้ที่คนควรทำในขณะนั้นๆกควรเว้นในขณะนั้นๆควรประพฤติในขณะนั้นๆมาคุยกันดีกว่าแต่ไมั้นเราก็สูญเสียเวลาเกี่ยกับเรื่องที่ใคลแต่แน่นอนว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันควรจะท้าความพอสมควรแต่ไม่ต้องให้หรายละเอียดมาก อย่างยกตัวอย่างวันในกรณีกณเหตุการณ์ทางภาคใต้เนี่ยคือเรามาศึกษาภาษาด้วยกันเข้าใจเนี่ยคำว่าเข้าใจเนี่ยคือเข้าใจภาษาของกันและกันเราก็เข้าใจภาษาเยาวีเขาก็เข้าใจภาษาไทยแล้วก็ภาษากลางลก็คือภาษาอังกฤษแล้วเข้าใจศาสนาของกันและกัน เขาก็เรียนศาสนาพุทธด้วยเราก็เรียนอสลามด้วยแล้วก็ทำให้เราเข้าถึงวัฒนธรรมเพราะว่าทำมันมาจากศาสนารือถ้าจราบใดที่เรายังไม่เข้าถึงศาสนาแล้วเนี่ยเราจะเขวะในด้านวัฒนธรรมอย่างประเทศไทยเวดเนี้คือเราจะลองสังเกตว่า รัฐบาลเองไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องในเรื่องตรงนี้ซึ่งถือว่าเป็นงานระดับจิตวิญญาณนะศาสนาศิละปะวัฒนธรรมตลอดถึงเอกลักษณ์มันควรจะเป็นองค์กรเดียวกันแล้วก็เป็นปัจจัยเกื้อกูลสนับสนุนซึ่งกันและกันเพราะวัฒนธรรมส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นวัฒนธรรมพุทธนะครับ คนนับถือศาสนาอื่นจะว่าอะไรก็ว่าไปเถอะแต่จริงๆมันเป็นวัฒนธรรมพุทธเพราะอะไรเพราะว่าคนทุนอื่นเป็นคนกลุ่มน้อยก็เป็นวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มเขาเป็นไว้แต่พวูกวัฒธรรมคริสซึ่งกำลังมีอิทธิพลในสังคมไทยอยู่มากปว่าจุบันและวันธรรมความพราชนะะกํากำลังมีอิทธิพลเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ ได้มีการก่อสร้างขึ้นเยอะมากเทพเจ้าประจำวันพวกตรีมุรจิปวกปรพรุรภุมพระพิฆเนศพระศิวะปน า, าลัยอะไรต่างๆสร้างกันเยอะเทพเจ้าก็สร้างเยอะแล้วก็เลยไปเห็นถึงเทพเจ้าของจีนทำไมางงๆนะฮะวันจริงงงๆเอประเทศไทยมันเป็นยังไงไป มันไปย้อนอดีตระบบความเชื่อความคิดที่เกี่ยวกับศาสนาะแทนที่จะอยู่กระเพืผลด้วยความถูกต้องดีงามเนี่ยมันเกิดไปอยู่กับอะไรระบบความเชื่อเทปการนำทั้งหลายไอ้จุดอ่อนตรงนี้ก็คือก็คงจะสืบเมื่องมาหนึ่งก็คือไม่ก่หามสมาคมกับสัตว์ประหลุตไม่นั่งใกล้กับสัตว์ประหลุษไม่ได้ฟังธรรมของสัตว์ปรุษ ไม่ได้พิจารณาเลือกเฟ้นธรรมของสัตว์ปุรุแล้วก็โหนกระแสกันไปจนกลายเป็นอาการที่เราชัดเจนมากนะฮะคือปฏิจจสมบัติเนี่ยอายตนาภัสาเวทนาตนาอุปาทานแล้วก็เป็นพบอยู่ภายในใจเป็นความมีความเป็นอยู่ภายในใจของคนหล่านั้นซึ่งมันก็ได้นะฮะระดับขวานกำลังใจ เราก็ผูกโยงเอาไว้ก็เป็นอุปท า, านอย่างหนึ่งว่าถ้ามีอย่างนี้ก็จะเกิดอย่างนี้ถ้าไม่มีอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะก็แน่อุปท า, านน่ <c oughs> คือผูกยึดแล้วก็ยึดโยงไว้แต่ถ้ายังสลัดไม่ออกมันก็กลายเป็นอุปท า, านและถ้าขยายก็กลายเป็นอุปท า, านหมู่ซึ่งถ้าไม่ถึงกับไปเบียดเบียนร้างฐานใครก็ช่างก็เถอะเพราะว่าขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะของคนเรานั้น แต่ว่าถ้าต้องการหลุดพ้นจากทุกข์ทรมุงนั้นจะต้องชัดเจนในเรื่องอริมัชย์ใองค์แปดพยายามสัมผัสอริมัชยให้ลึกแน่นอนว่าจะลึกเท่ากันมันไม่ได้หรอกแต่ว่าสัมผัสให้ลึกเท่าที่จะสามารถทําได้หมายความต้องเห็นศีลในจิตเห็นธรรมะในจิตเห็นความสงบในจิต เห็นความสว่างสวยของปัญญาภายในจิตที่จะวินิจฉัยอารมณ์รู้เท่าทันอารมณ์และสามารถอยู่ด้วยความไม่ประมาทจึงเป็นหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนาทุกฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, งอกงามไยบูรณนธรรมจดมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี